อันนี้เป็นวิชาสรุปนะสรุปเรื่องจิตใครนานๆใครไม่เคยขึ้นไปบนพระธาตุดอยสุเทพนะขึ้นไปสังเกตให้ดีนะไอความวิจิตของรวดลายเนี่ยมันมากจริงๆฝรั่งเขาพอขึ้นบันไดขึ้นไปถึงพระธาตุเขาอุทานเลยครับคือมันวิจิตพิสานที่เขาไม่เคยเจออย่างนั้นจริงๆนะๆนะอุทานกมาเลยโอ้โหขาร้องเลย วิจิตจริ ง, รงเขาชอบมากนะความวิจิตของจิตเนี่ยนะแต่ก็เคิดว่าอย่างสถานที่สําคัญสําคัญโดยทั่วไปเนี่ยเทวดาจะดูแลการก่อสร้างทั้งหมดเทวดาจะเป็นผู้ดูแลเป็นปัจจัยให้พวกจิตกจตกรจิตกรรมทั้งหลายแดเนี่จริงพวกนักจิตตะกรจิตกรรมทั้งหลายเนี่ยถ้าไม่ไหวครูเป็นต้นวาดภาพไม่ได้หรอกมาโดยรวมๆเนี่ย มอลำนะแม้แต่กระทั่งพวกนักร้องนักรำทั้งหลายเนี่ยถ้าเว้นแตบบ่แบบทั่วๆไปนะแต่เป็นอีกสายหนึ่งบอกทาไม่ขึ้นครูแล้วร้องไม่ได้เลยวันนั้นเลยมันสําคัญเหมือนกันนะเพราะอาบมนุษย์นี่มันเกี่ยวข้องกับมนุษย์อยู่ตลอดอยู่แล้ย้อนมาถึงจิตเนี่ยความวิ จ, จิตของจิตเนี่ยเขาจะเริ่มพูดโดยชาตินี่นะโดยชาติคําว่าชาติคือการเกิด ความวิจิตของจิตเนี่ยว่าโดยการเกิดก็แบ่งออกเป็นสีชาติชาติเนี่ยเกิดนะคือชาติที่เป็นกุศลอกุศลหรือกิริยาวิบา ก, กริยาอัะนนะั กุศลอกุศลวิบากกิริยาเนี่ยวิบากกับกิริยาเรียกว่าอัพยากะตะอัพยากะตะแปลว่ากล่าวไม่ได้ว่าเป็นกุศลหรืออกุศลเห็นไหมเออกุศลนี่ก็แบ่งออกเป็นเป็นอะไรจิตเนี่ยนะถ้าเป็นกุศลกุศลก็แบ่งเป็นกามาวจรกุศลเห็นไหม รูปาวจรกุศลอรูปาวจอนกุศลและก็โลกุตระกุศลกามาวจรนกุศลนี่ก็มีแดใช่ไหมกามาวจรกุศล8ดรูปาวจรกุศลสี่หรือห้า น, นะสี่หรือห้า อรูปาวจรกุศลมี4โลกุตระจิตโลกุตระกุศลเนี่ยนะหรือยี่สิบก็แบ่งอย่างงี้ทีนี้กามาวจรกุศลทำไมจึงเป็น8ทํทำไมจึงเป็น8ดนับหนึ่งได้ไหมได้นับ1ในความเป็นกุศลกุศ ล, ลจิตนับเป็น2คือสมณัตกับ เบคาโสมนัตน so ับแบ่งเป็นสองก็ได้คือมีปัญญากับไม่มีปัญญามีปัญญาก็แบ่งออกเป็นสองคืออสังกับสัสังเนี่ยนะไม่มีปัญญาก็แบ่งออกเป็นสองคืออสังกับสัสังอุเบคาก็แบ่งออกเป็นสองก็ได้คือมีปัญญากับไม่มีปัญญามีปัญญาก็แบ่งออกเป็น2คืออสังกับสัสังก็เลยเป็น8 แต่ว่า8ดอันนี้เนี่ยเรียกว่าวางตามหัวข้อที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงเพราะฉะนั้นถ้าจะแบ่งในความเป็นกุศลก็ต้องมาคูณกับอะไรบุญยะกิริยาวัตถุสิบเนี่ยนะคูณอารมณ์หเนี่ยนะคูณอธิบดีคูณทวารก็วากันไป ถ้าบุคคลด้วยก็ไม่ต้องมีจบกันละคูณบุคคลคูณการด้วยนะการสามด้วยอยันนี้นคือความวิจิตของกุศลจิตเนี่ยนะแม้กระทั่งทาบุญกิจวัตถุอารมณ์อธิบดีวารบุคคลการแล้วก็มีแบ่งประเภทเนี่ยนะแบบอย่างเลวอย่างกลางอย่างประนิดเนี่ยนะก็แบ่งชนิดประเภทของกุศลนั้นนั้นไป อันจะรู้ว่าแม้ในโลกของความคิดของจิตที่เป็นกุศลก็วิจิตหรือเอาเอาเฉพาะอย่างเช่นอย่างบุญญากริยาวัตถุเนี่ยนะเราเอาสมถะมาจับกับวิปัสสนามาจับอย่างวิปัสนาของพระโพธิสัตว์เนี่ยนะอย่างระดับวิปัสนาของพระโพธิสัตว์ชาติสุดท้ายเนี่ยรวงปัญญาวินิจฉัยละเอียดมากน่นะพิจารณาสัตว์เป็นหมื่นจักรวาลเนนะเอามาามาพิจารณามาใครครว แล้วสมถะวิปัสนาเหล่านี้เฉพาะเฉพาะวิปัสสนาก่อนวิปัสสนานี้ต้องดูว่ามีอะไรเป็นบาทด้วยนะมีอะไรเป็นอุปนิสัยถ้ามีฌานเป็นอุปนิสัยแห่งวิปัสสนาเนี่ยการพิจารณามันกว้างขวางมากะนะก็อยู่ที่บาทของของวิปัสสนาหรือบาทของปัญญาด้วยอย่างพระโพธิสัตว์เนี่ยชาติสุดท้ายก็มีอภิญญาเป็นเป็นบาทเนี่ยนะมีจุตูปามี ปเพนีวาสนานุสติยานจิวตูปปาตายานอภิญญาเนี่ยเป็นบาปเป็นบาปในการเจริญวิปัสนาเพราวิปัสนาอันนี้จึงวิจิตพิสดารเป็นอย่างมากนนั้นพันก็แบ่งเป็นชาตินะที่เป็นกุศลถ้าเป็นรูปราวจรกุศลถ้าไปคูณอารมณ์อีกก็เยอะแยะไปหมดเลยคูณอารมณ์อะไรบ้างไงอารมณ์ที่เป็นชาตอนนั้นรูปราวจรกุศลก็จะมาก วิจิตพิสดารอีกเหมือนกันคือเช่นกระสินสิบอะไอสุภาสิบอ า, อาณาปานาสติพรหมิหารแล้วก็กายคตาสติ อันนี้พูดถึงตัวที่จะทำให้ได้ฌานตัวที่ไม่ได้ฌา น, ไ ม, ไ, านไม่นับเนี่ยนะส่วนอรูปฌานก็มีสี่นะก็ตามอารมณ์อันนี้ไม่ค่อยวิจิตมากนักส่วนโลกุตระก็สี่คือมรสี่นะโสดาปฏิมรสกธาคามิมรอนาคามิมรและอรหัตตมรเนี่ยนะก็มีสี่ส่วนที่เป็นยี่สบได้เพราะว่าหนึ่งเนี่ยคูณฌานห้า หนคห้าโซดาปฏิมักก็มีระดับปฐมฌานระดับทุติยฌ า, านระดับตติยฌ า, านระดับจตุติฌานตามแต่สมควรแก่แก่ฌานว่าฌานมีมากองค์ฌานมีมากเท่าไหร่มักก็ก็แบ่งปริมาณมากไปตามจํานวนขององค์ฌานทั้งหลายนั่นเองอันนี้อันนี้พูดถึง ชาติของจิตที่เป็นกุศลอย่างเดียวก่อนนะนะนี่ชาติของจิตที่เป็นกุศลส่วนชาติของจิตที่เป็นกุศลว่าโดยโย่อมีทั้งหมด21นะโดยพิสดารมีเท่าไหร่อ่าก็คือ8ปดบวกบวกเป็นแล้วก็บวกอีกก็เป็น21 โลกิยกุศลมีเท่าไหร่นสิบเจ็ดบเจบวกยี่สิบเท่ากับสามสิบเจ็ดนโดยพิสดารกุศลมีสามสิบเจ็ดโดยย่อมียี่สิบอดนิ้ชาติของจิตที่เป็นกุศล ส่วนชาติของจิตที่เป็นอกุศลมีอยู่12สเห็นมิบสองนี่ถามว่าแบ่งตามอะไรทำไมจึงเป็น12แบ่งตามเหตุปัจจัยหรือเราภาษา ง, ง่ายๆเรียกว่าแบ่งตามรากคือมูลแบ่งตามมูลว่าถ้ามีโลภะเป็นมูลโทสะเป็นมูลหรือโมหะเป็นมูล น, นะที่ใดมีโลภะที่นั่นมีโมหะเกิดอยู่แล้วที่ใดมีโทสะที่นั่นมีโมหะที่ใดมีโมหะไม่แน่เพราะว่าจะมีโลภะโทสะหรือไม่ น, นะไม่แน่เัราในโลภะเนี่ยก็แบ่งแบ่งอีกแบ่งยังไงแบ่งตามเวทนาก่อนใช่ไหมโสมณัตกับอุเบขาโสมณัตก็แบ่งออกเป็นสองคือทิฏฐิสัมปยุตหรือ วิปประยุทธ์ทิฏฐิสัมประยุทธ์ก็แบ่งออกเป็นอย่างละ2อีกอนี่นก็แบ่งอย่างนี้อุเบชาก็แบ่งออกเป็นอย่างละสองว่าทิฐิสัมปยุทธ์กับวิปปรยุทธ์สัมปยุทธ์วิปประยุทธ์ก็แบ่งออกเป็นอย่างละ2ก็เลยเป็นเป็นแด้วยประการชนิดนี่นส่วนโทสะมันไม่มีทิฐิมีแต่โทสะล้วนๆมันก็แบ่งออกเป็นว่าอสังกับสังโมหะมีอยู่สองคือแบ่งเป็นอะไร อุทจจะกับวิจิกริชฌาเนี่ยนะพราะฉะนั้นโมหะก็แบ่งออกเป็นสองเพราะฉะนั้นอกุศลเนี่ยแบ่งตามเหตุตุปัจัจหรือแบ่งตามมูลเนี่ยนะว่าอะไรเป็นมูลอะไรอะไรเป็นมูลอะไรนั้นก็มีอยู่เท่านี้แต่ถ้าไปแบ่งตามอารมณ์แบ่งตามทวารแบ่งตามกิริยวัตถุ ก, ก็โอ้โเยอะแยะไปหมดเลยวิจิตขนาดไหนก็เหนือนในโลกทุกวันเนี่ยนะ ในโลกของสมมติว่าเอาแค่โลภะเป็นสมุทฐานเนี่ยเสียงเพลงเนี่ยก็อในโลกของเสียงเพลงก็วิจิตพิสดารนะเสียงมีระดับเสียงมันมีอยู่ไม่กี่อย่างใช่ไหมประกอบกันไปประกอบกันมาเนี่ยเสียงเพลงในโลกนี้โหตายไปอีกสามชาติฟังก็ไม่มีหมดานะมากมายแล้วเกินเะนี่ยรถมีอยู่ไม่กี่รถนะแต่ไปชิมอาหารทั่วโลกนี้ไม่มีรถเหมือนกันเลยอ่ะนะ อาหารแขกนี่ก็ไม่รู้มีกี่ชนิดนะอาหารไทยอาหารจีนอาหารตรัังโอสารพัดอาหารเนี่ยกินจนยัลิ้นผุหมดนะันั้นจิตที่เป็นอากุศลเป็น12ด้วยประการอย่างนี้นะกุศลมีอัตถาว่าเกิดจากความฉลาดหรือเพราะอัตถาว่าไม่มีโทษก็ได้ส่วนอากุศลเนี่ยเป็นปฏิปักษ์ต่อกุศล ไม่ใช่สักว่าไม่ใช่กุศลนะแต่หมายถึงว่าสิ่งที่เป็นปฏิปักษ์ต่อกุศลเรียกว่าอากุศลส่วนจิตชาติวิบากก็มาแบ่งเป็นแบ่งเป็นสองนะคือกุศลวิบากกับอกุศลวิบากกุศลวิบากถ้าเป็นกามาวจรกุศลเนี่ยนะมหากุศลเนี่ยมหากุศลเนี่ยให้ผลเป็นสองประเภท คือเป็นอาเหตุกะกับสะเหตุกะแบ่งเป็นอาเฮตุกะ8สะเหตุกะ8อเหตุกะแดมาได้ยังไงก็มามาตามทวารเลยคือจกักขุะนะจักขุหนึ่งโสตะหนึ่งคานะหนึ่งเชียวหาหนึ่งกายหนึ่งสัมปติชนะหนึ่งสันติรณะสอง ก็เป็น8ก็ก็ไล่ไปตามทวานนะผลบุญให้ทวานตาเรียกจักรคูวิญญาณผลบุญให้ทวานหูเรียกโสตาวิญญาณผลบุญให้ทวานจมูกเรียกคานะวิญญาณผลบุญทวานลิ้นเรียกว่าชิวหาวิญญาณผลบุญทวานกายเรียกกายวิญญาณส่วนจิตที่รับอารมณ์ต่อจากวิญญาณ5เรียกว่าสัมปติชนะนีก็แบ่งออกเป็นสองว่าถ้าอารมณ์ดีพิเศษมาก สันติรนาแบบโส ม, มานาธารมดีแต่ดีธรรมดาเนี่ยเป็นอุเบกขาเนี่ยนยะก็ก็เป็นเป็นดด้วยประการชนนี้แหละส่วนสเหตุกะก็คืออย่างเดียวกันกับมหากุศลแต่ในฐานะเป็นชาติวิบากเนี่ยนะมหาวิบากแดนี่นะไม่ต่างอะไรจากมหากุศลในแง่สัมปยุตแต่ต่างในแง่ว่า ไอ ห, หนึ่งเป็นเหตุไอ ห, หนึ่งเป็นผลกุศลเป็นเหตุวิบากเป็นผลทีนี้ผลนี่ก็ไม่สามารถทําชวนกิจได้เนีะทำได้ปฏิสนธิผวังจุติเนี่ยนะแล้วก็อะไรอีกตถารรมะเนี่ยนะทํากิจสประการอันนี้คือวิบากของมหากุศลเนี่ยนะวิบากของมหากุศลเท่ากับเท่าไหร่สรุป16วิบากของ ชาญเนี่ยนะก็เท่ากับชาร น, นั่นแหละมีวิบากโยห้าหรือสี่ถ้าเป็นจตุกานในก็มีวิบากสี่ถ้าเป็นปัญจากานใานก็มีวิบากห้าอารูปาวจรก็มีวิบากสี่โลกุตระก็มีวิบากสี่หรือยี่สิบก็แบ่งไปตามนอันนี้อันนี้คือวิบากชาติที่เป็นกุศลเพราะฉะนั้น าธาตุวิบากที่เป็นกุศลเนี่ยมีทั้งหมดเท่าไหร่แล้วก็ค่อยๆมาไล่เอาการการศึกษาแบบนี้นะถ้าเราไล่เป็นเนี่ยไม่ค่อยยากไม่ต้องไม่ต้องจําก็ได้เพราะเราค่อยๆไล่เหตุเอาว่านี่มันควรจะเท่าไหรอะไรเท่าไหร่นะไล่ไปมันก็จะถูกเองแต่ถ้าท่องเลยก็ถ้ามีถ้าเก่งขนาดนั้นก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าท่องไม่ค่อยได้ก็ลองบวกแบบนี้บ่อยๆว่ามันมาจากอะไรแล้เวเราจะจําตัวเลขได้เองะของมายังจําไม่ได้แต่รู้สูตรว่ามันมาจากอย่างนี้ห เรียนเค้าบอกว่าถ้าอาหารเนี่ยจำไม่หมดไม่ได้แต่ปรุงปรุงไปแล้วมันจะบอกเองว่ามันจะต้องเป็นอย่างไงถ้าปรุงผิดนี่มันจะผิดมันมีสูตรตายตัวโอเรียนให้ท่องไม่เรียนเนี่ยเครียดมากแล้วสําคัญมันท่องไม่ได้ดียุ่งมากแล้วนะท่องหัวลืมท้ายท่องท้ายลืมหัวเอ๊ะเขามีน่าจะมีวิธีจําแบบไม่ต้องท่องมั่งนะก็เลยมาคิดสูตรประเภทนี้ขึ้นอ๋อมันน่าจะเป็นแบบนี้ตอนหลังก็ไม่ต้องท่องล้ะ มองเห็นเมื่อไหร่เอ้ามันมาอย่างนี้ไปอย่างนี้มาจากเหตุผลเหล่านี้นี่เองนั่้าจา่ประเทศาจากจี<ม>้าากับ้าวจาก้าากนมาข้าวจานมาข้าวจี น, บบ 5, น, น้าี้าวา้วจาาขาีนมาข้ากจากจนมาขาวกนมจกมกจจกจกจีนจ้ากนมาขีนมาย้นอ่ขนะ การการเอามามาคิดมาพิจารณาเนี่ยแสดงว่าอ่อนมากเนี่เป็นไรเอามาขอให้อระกาศนิยบัตรนั่นนายเสียประวัติเขาหมดนะศงสารอาจารย์สอนเขา ว่าเป็นนั่นเอ่อทีนี้ถ้าเป็นอกุศลเนี่ยอกุศลอกุศลต่างจากกุศลถามว่าต่างกันตรงไห น, นต่างกันว่าอากุศลเนี่ยเวลาเกิดขึ้นต้องเป็นมูลคือคือต้องมีมูลนะคือมูลของเขาคือโลภะโทสะและโมหะ ซึ่งมูลคือโลภะโทสะโมหะเนี่ยเป็นชาติอกุศลอย่างเดียวเนี่ยนะไปเกิดร่วมอย่างอื่นไม่ได้เลยเป็นอกุศลเอกันตะอย่างเดียวแน่นอนเพราะฉะนั้นวิบากของโลภะเนี่ยนะวิบากของโลภะโทสะโมหะจะไม่ให้ผลเป็นโลภะโทสะโมหะอีกเพราะอะไรเพราะมันคนละชาติกันอันนี้เป็นอกุศลใช่ไหม ส่วนวิบากเนี่ยชาติวิบากจะต้องจะต้องไม่มีโลภะโทสะและโมหะเพราะมันชาติวิบากเหมือนอะไรเหมือนอย่างว่าเขามีว่าทําไมโทมนั์จึงไม่เกิดร่วมกับชาติวิบากโทมานต์นะทำไมไม่เกิดร่วมกับชาติวิบากเพราะว่าโทมนั์ต้องเกิดร่วมกับปฏิฆะเสมอ เมื่อโทมนัต้องเกิดร่วมกับปฏิฆาเสมอโทมานต์จึงไม่ใช่ชาติวิบากนี่นะไม่ไม่สามารถเกิดร่วมด้ชันใดก็ดีโลภโทสะโมหะเป็นอากูสลมูลเท่านั้นเมื่อเป็นอากูสลมูลอย่างเดียวจึงไม่สามารถเป็นวิบากได้แต่ก็ให้วิบากอยู่นะก็ให้วิบากทางทางไหนทางทวารตาเรียกว่าจาักขูวิญญาณ ทวารหูเรียกว่าโสตวิญญาณทวารจมูกเรียกคานวิญญาณทวารลิ้นเรียกว่าเสียวหาวิญญาณทวารกายเรียกว่ากายวิญญาณจิตที่รับอารมณ์ต่อจากบรจาวิญญาณเหล่านี้ก็เรียกว่าสัมปติชนะผลของสัมปติชนะก็เป็นปัจจัยแก่สันติรณะทีนี้ตัวสันติรณะเนี่ยเป็นเป็นจิตที่สามารถทําได้หลายกิจสันติรณะจิตตัวนี้นะเรียกว่าทําอะไรมัางปฏิสนธิ ผวังจุเตและตาบวกกับอันนี้สัทธะบวกกับตาธาลมานาก็เลยทํากิจห้าอย่างคือสันติรณกิจเนี่ยนะ